นักวักวักว่าด้วยเรื่องเปลือยกายสิกขาบทที่หนึ่งนักขวักปาจิตติยะกันห้ามเปลือยกายอาบน้ํานางภิกษุณีเปลือยกายอาบน้ําร่วมกับหญิงแพทยสยาในท่าน้ําอันเดียวกันถูกพูดเย้ยหยนต่างๆพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัดปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้เปลือยกายอาบน้ํา สิกขาบทที่สองนักขวัคปาจิตติยากันห้ามทำผ้าอาบน้ายาวใหญ่เกินประมาณนางภิกษุณีพวกหกทำผ้าอาบน้าเกินประมาณย้อยไปข้างหน้าข้างหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีที่ให้ทำผ้าอาบน้าเกินประมาณคือยาวเกินสี่คืบกว้างสองคืบ โดยคือพระสุคตสิกขาบทที่สมนักวักปาจิตติยกันห้ามพูดแล้วไม่ทำนางทุลลัณ น, น, นทาภิกษุณีพูดกับนางภิกษุณีรูปหนึ่งว่าผ้าทำจีวรของท่านดีแต่จีวรทำไว้ไม่ดีเย็บไว้ไม่ดีนางภิกษุณีนั้นจึงกล่าวว่าข้าพระเจ้าจะเลาะ อ, ออกท่านจะเย็บให้ไหม นางธุลนันทาภิกษุณีรับปากว่าจะเย็บให้นางภิกษุณีนั้นเลาะจีวร น, นั้นแล้วจึงให้แก่นางทุลนันทาภิกษุณีนางพูดว่าจะเย็บจะเย็บแต่ก็ไม่เย็บหรือขวนขวายให้ผู้อื่นเย็บพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้เลาะหรือให้เลาะจีวรแล้ว ภายหลังไม่มีเหตุขัดข้องไม่เย็บเองหรือไม่ขวนขวายให้ผู้อื่นเย็บเว้นไว้แต่พักไว้เพียงสถึงห้าวันสิกขาบทที่สนักวัดปาจิตติยากันห้ามเว้นการใช้ผ้าซ้อนนอกเกินห้าวันนางภิกษุณีทั้งหลายปาจีวรกับนางภิกษุณีด้วยกันแล้วจาริกไปสู่ชนบท จีวรเหล่านั้นเก็บไว้นานก็เปลอะเปื้อนนางภิกษุณีที่รับฝากจึงนำออกตากพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแกนางภิกษุณีที่เว้นการใช้ผ้าซ้อนนอกเกินห้าวันหมายเหตุตามธรรมดานางภิกษุณีมีผ้าสำหรับใช้ประจำห้าผืนคือหนึ่งสังฆเต ผ้าช้อนนอกสำหรับใช้เมื่อหนาว 2. อ, อุตราสงค์คือผ้าหม่าม 3. อันตรวาศกคือผ้านุ่ง 4. ส, สังกัดชิกะคือผ้ารัดหรือผ้าโอบ 5. อุทกสาติกาคือผ้าอาบน้ำพิจารณาดูตามสิกขาบทนี้เป็นเชิงห้ามเว้นการใช้ผ้าซ้อนนอกคือสังคติอย่างเดียว แต่ในคำอธิบายท้ายสิกขาบทขยายความเป็นว่าเว้นผืนใดผืนหนึ่งในห้าผืนเกินห้าวันไม่ได้คำว่าเว้นคือไม่นุ่งไม่หม่มหรือไม่ตากแดดสิกขาบทที่ห้านักขวักปาจิติยะกันห้ามใช้จีวรสับกับของผู้อื่นนางภิกษุณีรูปหนึ่งเที่ยวบินทบาต แล้วตากจีวรที่เปียกไว้เข้าไปสู่วิหารนางภิกษุณีอีกรูปหนึ่งจึงห่มจีวร น, นั้นเข้าไปสู่บ้านเจ้าของจีวร อ, ออกมาเที่ยวถามหาทราบความก็ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีที่ใช้จีวรสับกับของผู้อื่นซึ่งยกเว้นถ้าได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อน ไม่เป็นอาบัติสิกขาบทที่หกนักวักปาจิตติยากันห้ามทำอันตรายลาภจีวรของสงฆ์สกุลอุปถากของนางธุลนันทาภิกษุณีกล่าวว่าใครจัดถวายจีวรแก่ภิกษุณีสงฆ์นางกลับตัดบทด้วยวาจาว่าท่านทั้งหลายมีกิจมากมีกรณียะมากไปไม่เรือนของเขา ต่อมาไฟไม่เรือนของเขาเขาจึงไม่ได้ถวายจึงติเตียนที่ทำอันตรายทายาทมคือของถวายของเขาและทำให้เขาเสื่อมจากทรัพย์และจากบุญพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแกนางภิกษุณีผู้ทำอันตรายลาบจีวรของสงสิกขาบทที่เจ็ดนักวัก ปาจิตติยกันห้ามยับยั้งการแบ่งจีวร อ, อันเป็นธรรมจีวร น, นอกการเกิดขึ้นแก่ภิกษุณีสงภิกษุณีสงจึงประชุมกันเพื่อแบ่งจีวร น, นั้นนางทุนลนันทาภิกษุณีถือเอาเหตุที่สิทธิ์ของตนหลีกไปที่อื่นคัดค้านมิให้แบ่งนางภิกษุณีทั้งหลายจึงแบ่งไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีที่คัดค้านการแบ่งจีวร อ, อันเป็นธรรมสิกขาบทที่8นักวัคปาจิตติยักันห้ามให้สมณะจีวรแก่เขฤ ห, หัสหรือนักบวชนางทุลลนันทาภิกษุณีให้สมณะจีวรคือผ้าที่ทำสำเร็จรูปสำหรับนางภิกษุณีให้แก่นักแสดงละครบ้าง นักปอนบ้างนักกระโดดบ้างนักเล่นกลบ้างนักเล่นกลองบ้างโดยขอให้เขาสันเสริญตนในที่ประชุมชนพวกนั้นก็เที่ยวสันเสริญต่างๆพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัตปาจิตตีแกนางภิกษุณีผู้ให้สมณะจีวรแก่ผู้ครองเรือนแก่นักบวชนอกศาสนาชายหรือหญิง สิกขาบทที่9นักขวัตรปาจิตติยกันห้ามทำให้กิจการชะงักด้วยความหวังลอยลอยสกุลอุปถาของนางทุลนันธาภิกษุณีกล่าวว่าถ้าสามารถก็จะถวายจีวรแก่ภิกษุณีสง์เมื่อนางภิกษุณีทั้งหลายจำพรรษาเสร็จแล้วก็ประชุมกันจะแบ่งจีวร นางทุลนันทาภพิษุณีขัดค้านให้รอไปก่อนอ้างว่าพิกษุณีสงยังหวังจะได้จีวอนอยู่เมื่อรอไปพอสมควรแล้วนางพิกษุณีทั้งหลายก็เตือนเรื่องจีวอนที่จะได้นั้นนางทุลนันทาภพิษุณีจึงไปเตือนสกุลที่เขาว่าจะให้เขาตอบว่าเขาไม่สามารถให้ได้ซะแล้วนางพิกษุณีทั้งหลายจึงติเตียนนางทุลันล น, นาภิกษุณี ที่ทำให้คอยจนเกินสมัยสำหรับทาจีวรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญศศัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแกนางภิกษุณีที่ทำให้ล่วงเลยสมัยทาจีวรไปด้วยอ้างความหวังว่าจะได้จีวรที่เพียงเขาพูดไว้สิกขาบทที่สิบนักวักปาจิตติยากัน ้ามคัดค้านการเพิกถอนกระถินที่ถูกทาทําในที่นี้สะกดด้วยทอทงนะครับอุบาสกผู้หนึ่งสร้างวิหารถวายสง์และใครจะถวายจีวร น, นอกการแก่ภิกษุสง์และภิกษุณีสง์ในการฉลองวิหารนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อขอให้ทรงเพิกถอนกระถินซึ่งภาษาพระเรียกว่าเดาะกระถิน พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงอนุญาตโดยให้ประชุมสงฆ์สวดประกาศขอมติในการเพิกถอนกระถินแต่ในภิกษุณีสงฆ์ไม่มีใครทำการนี้สำเร็จเพราะนางทุนลนันทาภิกษุณีคัดค้านไว้ด้วยหวังจะได้ลาบจีวรเป็นส่วนตัวพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญศศัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแกนางภิกษุณีผู้คัดค้านการเพิกถอนกะถินอันเป็นธรรม